พูดถึงความเป็นมาแห่งชีวิตเพราะคนทั้งหลายมันกำลัาหลงอยู่ในชีวิตอันนี้พอเหตุนั้นถึงอยากจัแสดงเรื่องความเป็นมาของชีวิตอันนี้สู่การฟังเพื่อจะได้หายหลงหายเมา ในชีวิตนี้ความจริงเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจปิไรลำพันต่างๆนี่มันเป็นทุกข์ความพัดพลากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้ครบผาสมาคมก บ, บุคคล อันไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่พูดถึงความทุกข์ในกายในใจของคนเรามีอยู่อย่างนี้แต่แล้วมันอาศัยตัณหาอาวิชชาามไม่รู้ตัณหาความทยานอยากราคะควอมกอหนัดยินดี อันนี้เป็นปัจจัยทำให้คนเราพอใจอยู่ในชีวิตนี้ยึดมั่นถือมั่นไว้แต่ถ้าหากว่าไม่มีธาตุสี่ขันหานี้ขึ้นมาจิตไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้สร้างบุญบารมี ให้แก่กล้าเพื่อจะได้พ้นจากทุกภายในสงสารนี้ไปดังนั้นขันห้านี้จึงชื่อว่ามีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเป็นบาปถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญกุศลดังนั้นเราต้องใช้ขันห้านี้ให้มันเป็น ใช่ไปตามทานองคองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าใช้การนั่นี้ทำนอกพุทธวญนัยออกไปหรือว่านอกคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกิร ล, ลึก เมื่อเรานับถือแล้วมันก็ต้องทำตามเลยก็จึงสมกับว่าค ำ, คำว่านับถืออันมูลเหตุที่จะให้คนเราแสวงหาที่พึ่งนั่นน่ะก็เพราะเหตุว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่รอบด้านภัยภายนอก ก็มีภัยภายในก็มีภัยภายนอกได้แก่โจรภัยภัยคื อ, จอโจรผู้ร้ายมาปล้นเอาทรัพย์สมบัติเงินทองไปอักคีภัยาบางคนก็สร้างบ้านเรือนขึ้นมันคงท้าววันนี้เราเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอุทกาภัยปีใดฝนมาก น้ำมากเอาเกิดท่วมขึ้นมาทรัพย์สมบัติเสียหายปนปี๊ไปหมด <c oughs> ราชภัยพระราชลาิบทรัพย์ในเมื่อตนไปทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงพระราชากดลิบทรัพย์สมบัติไปหมด อย่างนี้นะท่านเรียกว่าภัยภายนอกอันนี้นะภัยภายในในแก่ความแก่ความเจ็บความตายในแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฐิสัสสังกิเลสโนใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้รวนแต่เป็นภัยภายในคือมีอยู่ในกายในจิตนี้ ภัยภายในกายก็ความแก่ความเจ็บป่วยไข้โรคภัยเบียดเบี้นนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายกับความตายก็มาตัดร้อนให้ร่างกายพากจากจิตจิตพากจากร่างกายไปนี่เรีว่าภัยของร่างกายอันนี้นะใครใครเกิดมาแล้วก็หลีกไม่พ้นเลย กดต้องจำใจต้องจำจกักต้องจำพัดผาาจากกันไปแต่อาศัยจิตใจนี่ไม่รู้แจ้งตกเป็นธาแตแห่งกันหาอาวิชชาจึงได้ยึดถือเอาร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมทำความเพียรพยายาม รงวางสันหานี้เมื่อยึดเือเอามันไว้มันก็เป็นเหตุให้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วในข่นน้ำดวงกิดไปเกิดในพบน้อยพบใจต่อไปเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เป็นโศกในเวลาทําอะไรลงไปแล้วมันผิดหวัง ไม่ได้สมหวังก็มีแต่ทุกข์ไม่ได้โศกก็ไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละพระพระพิจาจึงตรัสว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั่นแหละความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆมันเป็นทุกข์แต่มนุษย์เราหากไม่ตื่นตัวกันทุกข์กับทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละ น้องให้ลําไรน้ําตานองหน้าอยู่ก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่อมีอวายปัญญาที่จะบรรเทาทุกทางใจได้เลยนี่เป็นอยู่อย่างนี้วความทุกข์ของชีวิตเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำ ย, ยังไม่ปรองไม่วางฐันห้านี้ตราบใดก็จะมีทุกขติดตามไปอยู่อย่างนั้นเหละ รงความเรียกว่าเมื่อมีขันห้านี้อยู่ตราบได้ก็มีทุกข์อยู่ตราบนั้นนี่แหละชีวิตความเป็นมานะตั้งแต่ในอดีตนูน่นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วแต่ละคนนะเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสารนี่ได้รับความทุกข์ทนทรมานด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาวิชชา ความไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงเมื่อร่างกายนรรี่มันวิบัติลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อไม่รู้จักบาปมันก็ไปทำบาปสะสมบาปใส่ตนเมื่อไม่รู้จักบุญก็ทาบุญไม่ได้ทาก็ทาไปตามเพื่อนไปอย่างนั้นแหละตนเองไม่รู้อ่ะ เ, เพื่อนจกักชวนท ำ, ทำก็ทำไป ก็เมือเพี้ยนเช่นนี้อันบาปกรรมนั่นบุคคลทำง่ายไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครชักจูงมันก็ทำได้ส่วนบุญกุศลนี่บางคนก็คิดขึ้นได้โดยตนเองบางคนคิดไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นชักจูงเช่นนั้นก็จึงทำบุญกุศลได้การทำบุญกุศล บางชาติก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นศูนย์ยกลับแปลว่ากับว่างจากพระพุทธเจ้าดังนั้นในในกับกันเช่นนั้นเนี่ยก็มีแต่พรือศีหรือว่าพระเจกพุทธเจ้ามังเกิดขึ้นในโลกหบุคคลผู้มีบุญ พระปเจ้าพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเพราะว่าบา ร, รมีของพระเจก็ไม่เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าพระองค์จะมีคนนับถือเลื่อมใสมากตลอดถึงเทวดาอินพรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะบา ร, รมีไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้า ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเมื่อท่านเล็งงานพิจารณาเห็นใครมีอุปนิสัยมีบุญคนใดใจบุญพอจะช่วยสงเคราะห์ได้ท่านก็ไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นแล้วคนทั้งหลายเห็นเข้าก็เรื่มใสสศรัทธาได้ทำบุญถวายท่านท่านก็ให้ละให้พรไป อาโอวาทที่ท่านแนะนำส่งสอนก็ย่อๆไม่กิตติารคนผู้มีบุญเท่านั้นถึงได้เลื่อมใสนับถือนับถือพระพเจกพุตเจ้าคนไม่มีบุญก็ไม่นับถือแล้วก็อย่างนี้เนะ่ยบางคนบางชาติไปคบกับคนเห็นผิดเป็นชอบ ก็เลยเห็นผิดไปตามเขาอมีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกก็ไม่นับถือเพราะมีความเห็นผิดเห็นว่าไม่ไม่จําเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรที่จะไปกราบไปไหว้ไปนับถือมันเห็นไปอย่างนั้นก็หันหลังให้พระพุทธเจ้าพอทำประสงค์ไปในชาติเช่นนั้นน่ะ มันก็จมดิ่งลงสู่ห่วงแห่งความทุกข์แหละชีวิตนะเพราะว่าเกิดความผิดผิดไม่ได้ทำความดีอะไรไว้หมวัวแต่ไปทำความชั่วตามคนที่ผู้ชักชวนเป็นตอนว่าไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพา น, านัน ไปพบคนชั่วเป็นมิตรต่างๆมูเนียเมื่อไปพบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเขาพาทำชั่วมันก็ได้ทำกับเขาแหละไม่ทำก็ไม่ได้เพราะได้ร่วมกันนี่แหละชีวิตของคนเราเป็นของไม่ได้นอนอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาตินี้น่ะผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี้แล้วก็พยายาม กำจัดความเห็นผิดออกไปจากกิตใจให้ได้อทำความเห็นถูกต้องในใจของตนให้มั่นให้มัน่นคงเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่นะอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาเลยอืเห็นว่าโลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพระนิพพานมีจริง แล้วข้อปฏิบัติที่ดําเนินไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้อืให้พุทธบริษัททางหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามมีอยู่แล้วอืมมีแต่เราลงมือปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะออข้อปฏิบัติอันเป็นทางคนทุกข์พระองค์ค้นพบก่อนคอนอื่นทั้งหลายแล้ว อันพระ อ, องค์หนึ่งเป็นต้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระ อ, องค์แสนถูกแสนยากที่เสวงหาธรรมของจริงนี่ไม่ใช่ของง่ายง่ายพระ อ, องค์เอาทุกเอาเอาทุกเนี่เป็นทุนมาขณะนานับชาติไม่ทวนอันผู้ที่เป็นสาวกสาวิกาเป็นอุาบาสกอุบาสิกานี่ เป็นผู้ที่เรียกว่ามีลาบอันประเสริฐเพราะว่าพระองค์เจ้ารู้แจ้งแนวทางปฏิบัติอทางวัตถุโดยตรงแล้วไม่มีผิดพระองค์นำมาแสดงผู้ฟังก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะไม่ต้องออกแรงคนคว้าอะไรให้ลำบากแต่ถึงกระนั้นคนก็ไม่อยากปฏิบัติตาม หน่ยเห็นว่าเป็นของยากลำบากปฏิบัติไม่ได้ขัดต่ออาชีพขัดถ้าไปมัวปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นนั้นนะก็ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่คล่องแคลวไม่สะดวกก็จะกลายเป็นคนยากจนไปนี่ไอ้มันเข้าข้างกิเลสความเห็นอันนี้นะกิเลสตัณหาเนี่ยมัน ไม่ให้คนเราหนีจากอำนาจของมันผู้ใดทกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นแ่ะย่อมเกิดความเห็นผิดขึ้นมาก็ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงห้ามมาให้ทาไม่ให้ทามาหาเรื่องขีพโดยทางที่เป็นบาปเป็นโทษเถอทางที่ไม่ถูกต้องนั่นนะ ก็เพราะพระ อ, อ, องค์เอ็นดูกรุณาสงสารสันโลกทั้งหลายปราถนาอยางให้สันโลกทั้งหลายนั่นพ้นจากทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุขอันกเกษมสารก็จึงได้แนะนำคำสอนบรรยัติห้ามไว้ความประพฤติอันใดมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อเวรต่างๆนำมาซึ่งความทุกข์แล้วพระ อ, องค์ก็ห้ามไว้ การกระทำอย่างไรถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยช น, น, ยชน์ตนและผู้อื่นพระองค์ก็ทรงส่งเสริมแนะนำให้กระทำและอย่างนี้แหะคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราชาวพุทธไม่ควรที่จะไปคัดท้านคำสอนของพระองค์ไม่ควรจะไปแสดงความย่อท่อว่าทำตามไม่ได้ขัดต่ออาทิพ มันจะขัดทำไมอ่ะไม่ขัดแหละในเมื่ออาชีพที่ไม่มีบาปไม่มีโทษมีอยู่ในโลกนี้นะดังนั้นอาชีพอนใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เว้นเสียแล้วก็ไปสวยหาทำจากการ ง, งานที่ปราศจากโทษนั้นเช่นนี้มันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือไวิสัยเป็นไปไม่ได้ ดูแต่ครัง้งอุเตเจ้านี่ยนะคนผู้ได้ฟังทำคําสอนของอุเตเจ้าแล้วได้บรรลุมรคผลขั้นต้นนี้นะมีอยู่มากมายและไม่ได้ออกบวชครองเรือนอยู่นั่นเนี่ยเพื่อนก็ทํามาหาเลี้ยงชีพตามความถนัดของตนเป็นชาวนาบ้างชาวสวนบ้างเป็นพ่อค้าบ้าง เป็นนายช่างต่างๆบ้างทำราชาการงานเมืองบ้างสันทีสุดเป็นขอทานก็มีนี่ขอทานเมื่อมันมีบุญหลหลังติดตามมาได้ฟังธรรมาวุธเจ้าเราสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินั้นนะ แม่คนขอทานเขาบรรลุมรรคผลแล้วเขาไม่ทําความชั่วเลยรอันนี้ความชั่วห้าอย่างนั้นเขาไม่ทําเลยนี่แหละผู้เป็นชาวนาชาวสวนกว็เหมือนกันเมื่อบรรลุมรรคผลโดยเฉพาะแล้วมันถึงมีปัญญานะปัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่อับไม่จนเลยออ่ะหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษได้หาเงินทองเข้าของมาได้ ด้วยปัญญาเรียกว่าหาได้โดยทางสุจริตนี่นะชีวิตความเป็นมาในโลกนี้นะให้พากันเข้าใจมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในชีวิตจิตใจของคนเรานี่อย่าไปนิ่งนอนใจให้มาปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ก็พระองค์สอนให้เรามาภาวนาเพ่งดูกายดูจิตอันนี้นะก็เพื่อจะได้รู้ว่าจิตนี่มันมีความชั่วอยู่ในใจอะไรบ้างแล้วมันมีความดีอะไรบ้างอยู่ในใจเรามาเพ่งเลือกเค้นดูเมื่อเราเพ่งดูพินาดูก็รู้ได้ รู้เรื่องของตัวเองได้ว่าตนเองมีนิสัยชั่วอย่างนั้นอยู่ยังละมันไม่ได้อย่างนี้นะก็รู้ว่มเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เพียนละนิสัยอันชั่วนั้นออกไปเช่นเคยกโกรธมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็ยังละความกโกรธนะั้นไม่ได้เวลามีเหตุมันไม่ดีกระทบเข้ามามันยังฉุนเฉียวอยู่อย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วก็เพียนละมันไป จเจริญเมตตาอย่างมากเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงแล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาประกอบเข้าไปด้วยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรพนแตกกลับไปทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตามมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเป็นแต่สภาพหรือว่าสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยเหตุปัจจัยถ้าสิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์ช่นนี้ก็เกิดด้วยบุญด้วยบาปที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นตกแต่งให้เกิดเ ป, เป็นขึ้นไปถ้าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ดินหินกวดทราย น้ำไฟลมอะไรมวกนี้นะมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุเฉยๆมันเกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละเมื่อประชุมกันพร้อมได้สัดได้ส่วนแล้วมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นเช่นต้นไม้เป็นต้นแหละเมื่อธาตุทั้งสี่นะั้มันรวมกำลังกันเข้าแล้วได้สัดได้ส่วนแล้ว มันก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นบนผิวดินนี่เองเนี่ยไม่มีใครมาสร้างมันขึ้นดอกมันเกิดจากธาตุสี่องรองสมรคีกันที่ไหนธาตุสี่ไม่ฟองรองสมรคีกันเช่นขาดธาตุน้ำอย่างนี้นะต้นไม้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเราต้องเจริญปัญญาณพิจารณา สิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะทั้งภายนอกภายในนี่ให้เห็นตามสภาพความจริงสภาพความจริงแล้วก็เมื่อมันสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปลผันในท้ำกลางแตกดับในที่สุดทั้งสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีนี่สรุปรวมลงเรียนะต่อพี่นะให้เห็นอย่างนั้น เชื่อว่าเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วทำยังไงเอาความาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบื่อหน่ายทอน้เลยเบื่อหน่ายเพราะเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากอย่างนี้เรามาอาศัยอยู่สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง ไม่ให้มันชำรุดสุดโทมมันก็ไม่ฟังไม่ให้มันแตกมันดับก็ไม่ฟังนี่จึงที่ว่ามาอาศัยอยู่ในสิ่งที่เราไม่มีอำนาจที่จะบังคับมันได้เลยควรเบื่อควรนายไม่ใช่เหรอเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้นักปราชทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพิจรารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา <c oughs> คนธรมรมดาสามัญเมื่อมีศรัทธาเรื่มใสเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วว่าทางนี้แหละเป็นทางว้นทุกเช่นนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างว่านี่พยายามฝึ ก, กจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต้นโดยอำนาจแห่งอวิชชาตันหาน่ะนะ ให้น้อมสติสัมปชัญญะ เ, เข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้มันเล่ร่อนไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาเหมือนแต่ก่อนนี่บุคคลสามารถทําได้การฝึกขิตใจอย่างนี้นะ่ะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือ่องฮัทก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละอย่าพึ่งฝึกขีดดวงนี้ไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกขไปไม่ได้เลย ก็ลอยไปตามกระแสแห่งความทุกนั่นแหละอย่างเช่นเราเป็นมาที่ร่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละจิตก็ล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาเกิดมาแล้วพอรู้เรียงสาก็อยากได้อะไรท้องอะไรนั่น แ, แสดงว่าตัณหามันติดสอยห้อยตามมาอาวิชชาความไม่รู้มันก็ติดตามมา เมื่อจิตไม่รู้แล้วมันอยากได้อะไรเมื่อก่แสวงหาไปจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ว่าก็แสวงหาไปอย่างนั้นเนี่ย่าแต่ได้มาอันบาปนะั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่รู้นี่อวิชามันครอบงำจิตใจดังนั้นคนเราจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองนี่เองอืม เพในโลกนี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งถูกมีทั้งทุกเป็นคู่กันไปดีกับชั่วนี่แหละเป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุถ้าบุคคลใดมารู้ว่าการฝึกใจของตนให้ส ง, งบให้เปลี่ยมไปด้วยเมตตาการุณา ตั้งความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุกทั่วนากันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อฝึกใจให้เป็นอย่างนี้นะให้ประกอบไปด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี่นั่นเราเรียกว่าใจดีวะนี่นะเรียกว่าความคิดที่ดีความคิดที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นความคิดที่ห่างไกลจากเวรจากใครทั้งหลาย ทีนี้บุคคลผู้ไว้ฝึกตนเพราะรากเหง้าของบาปอกุศลมันมีอยู่ในใจดังนั้นเมื่อมันเกิดความโลภขึ้นมาความอยากได้อย่างรุนแรงขึ้นมามันก็คิดอยากจะได้ของฝืนมาเป็นของตนในทางทุจริตนั่นเดีย ว, ว่าคิดออกนอกกรอบแห่งศีลแห่งธรรม คำสอนของผู้ใหญเจ้าออกไปเพราะความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุมันก็ไปเหตุให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปก็เป็นบาปเป็นกรรมไปอย่างนี้นะบางทีความโกรธมันเกิดขึ้นไม่พอใจกับใครต่อใครอา้าวมันก็วางแผนเบียดเบียนตอบโต้กับบุคคลที่มาเบียดเบียนตน ประหัดประหารกันไปก็ด้วยอำนาจแห่งไม่รู้แจ้งในเรื่องของบาปได้เองเนี่ยมันถึงได้สร้างบาปขึ้นในตนถ้าผู้ภาวนาทำใจสงบมาพิจารณาดูโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเห็นแจมแจ้งด้วยตนเองแล้วอย่างนี้ ผู้นั้นมันจะไม่สะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นในตนเลยจะพยายามตัดรอนมันออกไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นก็มันกิเลสเหล่านี้มันไม่มีรูปร่างอะไรหรอกมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในดวงจิตนี่นะจิตคิดขึ้นดังนั้นใครไม่ภาวนาไม่ะระลึกเข้ามาสู่จิตตรงนี้แล้วก็ไม่รู้เลย ไม่รู้จักกิเลสเหล่านี้ อ, อ, มอยมฉะนั้นถ้าระลึกเข้ามาหาจิตนี่แล้วเวลาเผลอสติจิตมันคิดโลกขึ้นมามันก็รู้ได้ว่านี่นะอืมนี่ความคิดที่เป็นบามันเป็นอย่างนี้ถ้าเผลอตัวใครทําอะไรไมยพอใจโกรธขึ้นมามันก็รู้ทั่วถ้าคนเคยภาวนาเคยเบื่อหน่ายเห็นโทษแห่ง กิเลส ต, ต่างเหล่านี้อยู่นะนั่นแหละพระธรรมนามาเตือนใจให้ให้ระลึกได้นระลึ ก, กว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอากุศลไม่ใช่เป็นทางกุศลเป็นทางไปสู่ทุกข์เมืม่อผู้โพธิสนาเห็นอย่างนี้มันก็ตัดทอนความโลภโกรธหลงนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนด้วยลงมือทําข้อวัดปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแนะนำสั่งสอนไว้นั้นน่ะการให้ทานก็เป็นการขจัดความโลภความดีออกจากหัวใจอันนี้ไปให้เบาบางไปการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายกำจัดความโกรธความมยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เพราะว่าสิ่นั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนับตั้งแต่สัตว์ที่มีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาขึ้นไปตลอดถึงใหญ่เท่าช้างกระทรงบัญญัติธรรมไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งพวงเหล่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมือ่อผู้ใดเว้นได้ก็จึงเชื่อว่าไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนอง ดังนั้นน่ะคนส่วนมากไม่ค่อยจะมั่นในศินเลยโดยมองไม่เห็นอานิส ง, ง์ของของศินมองไม่เห็นคุณค่าของศินจริงจังเพราะฉะนั้นจึงไม่ใส่ใจในเรื่องศินให้มากแต่ในที่นี้อยากจะชักชวนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายให้มาสนใจเรื่องสินให้ ม, มากๆ เพราะว่าศีล น, นี่แหละจะพาเราพ้นจากนรกอบายภูมิไปถ้าผู้ดใดยังละเลยไม่เอาใจใส่ในเรื่องศีลไม่สำรวมกายวาจาของตนตามพุทธบัญญัตินั้นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาประกันชีวิตของเราไม่ให้ตกนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์ดิบดิานเหล่านี้นะไม่มีไม่มีสิ่งใดจะมาประกันได้ มีแต่ศีลเท่านี้แหละถ้าบุคคลสัมปทานมั่นอยู่ในศีลแล้วไม่ร่วงเกินแล้วรับรองว่าไม่ไปนรกแน่นอนอา้าวที่ได้ทํามาแล้วนั้นเราไปยังไงอ่ะเมื่อยังไม่รู้นะ่ะทํามันมานี่อา้าวพอเมื่อทํามาแล้วไอการฆ่านี่ฆ่าไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระราหารัน ไม่ทำร้ายพระผู้เยเจ้าให้ถึงยังพระโลหิตให้ออกขึ้นไปมันก็ไม่เป็นบาปหนักท่านเรียกว่าเป็นลาหู ก, กรรมเป็นกรรมเบาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาอย่างนี้นี่ไม่เป็นบาปหนักถึงกับห้างห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานดังนั้นผู้ใดรู้สึกเห็นโทษแห่ง ภาณาธิบาทนั่นแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้นะแล้วก็ภาวนายกจิตใจให้สูงต่อบุญต่อคุณไว้เจริญไตรลาาัษณนญาณเห็นแจ้งในสังขาร น, นามรูปนี่ว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาอยู่เสมอ ละสมมติบรญญัติที่ว่าเราว่าเขานั่นออกไปเรื่อยเื่อยเช่นนี้นั้นท่านกล่าวไว้ว่าบาปกรรมที่ทำมาอันเป็นละหุกรรมกรรมเบานันนะมันจะไม่ตามสนองได้จะเป็นอาโหสิกรรมไ้ตามไม่ทันเพราะว่าครูนั้นบาเพ็ญกุณธรรมสูงขึ้นไปแต่ถ้าใครละเว้นจากบาปนั้นแล้ว แล้วไม่ภาวนาไม่ทําใจให้สูงขึ้นไปไม่เจริญไม่ตายแก่กล้าขึ้นในใจเช่นนี้บาปกรรมนะมันอาจตามสนองก็ได้อืมเพราะว่าจิตใจมันยังมีเชื้อบาปอยู่ผู้นั้นยังไม่ได้กําจัดมันทางจิตใจมันมีสองอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นได้พากันเข้าใจ ถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาที่จะให้กรรมชั่วเวนชั่วตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติแล้วก็ให้มันไหวพระมันนั่งสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอเสมออธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนทั้งหมดน้อมใจไปในความอินดูกรุณาสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่นี่ใจเราเกิดสงสารเมตตาบุคคลและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปอยู่อย่างนี้นะนี่เรียกว่าใจมันที่จะละบาปอาคุศลต่างๆที่ได้ลุ่มหลงทรมานั่นน่ะให้ไม่ไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปนะ่ะมันต้องอบรมใจให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี่ ก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยนี้เพราะคุณธรรมเหล่านี้มันก็มีใจเป็นประธานเมื่อใจสร้างขึ้นมันก็มีขึ้นมาทันทีเลยถ้าใจไม่คิดไม่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ไม่มีจะให้คุณธรรมเหล่านั้นมาอยู่ในจิตใจเลยโดยที่ใจไม่ได้นึกได้คิดไม่ได้ปรับปรุงให้เกิดมีขึ้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นเราต้องปรปับปรุงจิตใจตัวเองเนี่ทําอะไรที่จะเป็นไปเพื่อระงับกิเลสชนิดนั้นๆเราก็เจริญทำนั้นให้เกิดขึ้นในใจนี่จะพากันนิ่งนอนใจเช่นความโลภนี่เราก็บำเพ็ญสันตุธธิธรรมให้เกิดขึ้นในใจ ถือขันตุถีตามมีตามได้ตนสวยหามาได้ด้วยอำนาจแห่งบุญวัฒนะบารมีโองตนเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะความโลภมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้ประเดี๋มไม่มันก็ไม่คิดอยากจะไปเพ่งเลงในสมบัติผู้อื่นกพราเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรม เนื่องจากว่ามีสันตุถีธรรมอันนี้อยู่ในใจจึงป้องกันความโลภได้หรือาราคะของกำหนาดยินดีอย่างนี้นะเมื่อเพื่อผู้ใดเป็นคนเจ้าราคะตัณหาจัดอย่างนี้ก็มันเจริญอสุภะกรรมฐานบ่อยๆเข้าไปเพ่ง ร่างกายอันนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามตามความเป็นจริงอยู่เสมอความจริงนะ่ะร่างกาย น, นี้ไม่มีอะไรสวยงามแต่จิตใจที่มันถูกราคะตัณหาย้อมเข้าไปแล้วมันนั่งเห็นว่าสวยว่างามตามลักษณะของกิเลสตัณหานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาพลิก ความเห็นเราไม่ไปตามอำนาจของตัณหาราคะนั่นเร า, าเพ่งดูทำไมมันถึงกำนัดยินดีมันวิเศษอะไรรูปกายอันนี้เพ่งดูไปบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าอุคาตนิมิตนิมิตติดตาติดใจก็เห็นร่างกายนี้เป็นอตุภะอสุพัง์ ของเน่าของหม็นมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานก็ไม่น่ารักใครพึงใจอะไรถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำชำระกายสกเก็ตวันเราเข้าใกล้กันไม่ได้เลยทางที่มีจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่นะมันก็ยังขนาดนี้แล้ว ที่เราเข้าใกล้กันได้อยู่นี้เพราะเราอาบน้ำชำระขัดคลแไม่ให้สิ่งโสโครตีิดมันสะลักออกมาจากภายในนั่นน่ะติดเกิดกางอยู่ผิวหนังภายนอกอันนี้ดังนั้นมันถึงไม่ส่งกลิ่นไปใส่จมูกของผู้อื่นลองคิดดูให้ดีคนมาหลงเพียงแต่ว่าได้อาบน้ำชำระกาย แล้วนุ่งผ้าใหม่เสื้อใหม่ใส่เครื่องประดับสายสร้อยตุ้มหูมแหวนเพชรนาฬิกาข้อสวยๆงามๆเข้าไปแล้วนะว่าสวยว่างามไอเครื่องประดับเหล่านั้นมันก็เป็นธาตุดินไม่ใช่ของวิเศษอะไรแต่เป็นธาตุอันปณนีตเท่านั้นเองหรอกเมื่อพินาลงไปในแง่ธาตุแล้วก็ มันก็เป็นธาตุดินนะนันเราต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงสิจะพิจารณาแต่แค่อยู่สมมุติว่าของนี้ของมีค่าของสวยงามโล ก, กสมมุติกันอย่างนั้นเนะี่ยไปติดอยู่แค่สมมุติเช่นนี้มันก็นั่นแหละมันก็เกิดความกำลังดีไปทั่วอะไวแบบนี้นะพอเห็นเขาล้วก็ว่าสวยว่างาม ถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงความจริงแท้ๆแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปมีแต่ของโศโคลกสศกพวกทั้งนั้นในอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายเหน่านี้นะและในการเพ่งพิจารณาอสุภะ กรรมาฐานให้เกิดเป็นอุขานิมิตทันเว่าอสุภานิมิตรปรากฏในใจนะั่นแ่ะเห็นร่างกายนี่เป็นของเน่าของเปื่อยน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองหนองไหลมีหมูหนอนอยั่วเยี่ยมเมื่อตายลงแล้วนะถ้าไม่เผาไม่ฝังนะพวกตุนนักพวกแร้งพวกกายื้อแย่งกันกินไป กระดูกแข้งไปแห่งหนึ่งกระดูกขาไปแห่งหนึงกระดูกสันหลังไปอีกแห่งหนึ่งกระโหกศรีรษะไปอีกแห่งหนึงอะไรทำนองนี้มันกระจายกันออกไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจาราร่างกายนี้ให้เห็นลงฟันนั้นเนยมเมื่อมันเห็นลงฟันนั้นแล้วก็โยนเข้ามาถามตัวเองที่ไหนว่าของสวยของงาม ที่จิตมันรักใครพอใจต่างๆนั้นนะมีให้เหลือเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็จะตอบว่าไม่มีไม่มีอะไรก็มีแต่ร่างกระดูกนั่นแหละเมื่อจิตวิญ ญ, ญาณละออกจากรูปกายอันนี้ไปแล้วถ้าไม่เผาไว้ฝังแล้วก็ทิ้งไว้เฉยก็เน่าไปเปื่อยไปผูกพังไปนานเข้าก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเอง น, นะ ถ้าเช่นั้นเจ็สมควรหรือจะมาถือว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาไม่สมควรเลยถ้าเช่นั้นทําอย่างไรอ่ะก็ปล่อยวางตามสภาพและยินดีก็ไม่ยินดีเงินร้ายก็มายินร้ายเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นสภาวะธาตุต่างหากจะไปยินดียินร้ายกับมันทําไมนี่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละ ให้มันเห็นเจีมแจ้งในใจคนเจ้าราคะตัณหานะต้องมันเจริญอสุภนิมิตนี่บ่อยๆเข้าไปราคะตัณหาเนะี่ยมันก็เบาวางลงนะเพราะว่ามันกำหนัดก็กำหนัดในรูปในเสียงนี่เองนะในกลิ่นในรสเนี่ยไม่ใช่ไปกำหนัดอย่างอื่นได้เมื่อเราพิจารณาเห็น รูปต่างๆเหล่านี้ตามสภาพความจริงแล้วมันจะได้คลายความกำหนัดนั้นออกไปได้เหมือนอย่างที่เราไปเห็นคนตายลงไปอย่างนี้นะในร่างกายเน่าเฟะอย่างพอไปเห็นเขาแล้วมันเบือนหน้าหนีอะไรถูกกลิ่นเหม็นเข้าไปแล้วไม่สู้แล้วเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ เรียกว่าของเหม็นภายนอกอืมส่วนอสุภานิมิตมันไม่เหม็นจริงแต่มันเห็นชัดว่ามันเหม็นก็มันเหม็นอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อตายลงไปแล้วมันเน่ามันเผยมันก็ส่งกลิ่นเหม็นอันนีนนน้ไม่ว่าริงได้ที่มีเลือดมีเนื้อมีหนังแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นทั้งนั้นแหละทั้งคนทั้งสัตว์ นี่ความจริงไม่อยู่อย่างนี้นนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันจะได้คลายความกําหนัดยินดีหองผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็อย่าประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดเมื่อเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้นะมันหลงพูดถึงความหลงก็หลงในรูปในนามอันนี้เองนะไม่ใช่อย่างอื่นได้อ่ะ หลงสําคัญเป็นของสวยงามลมหลงสําคัญเป็นของเราของเขาเนี่ยพูดกันย่อๆความหลงของมนุษย์เราของจิตใจนี่นะก็เมื่อมันหลงด้วยอย่างนี้นะมันก็ยึดถือสิบะนี่มีความยินดีเ ย, ยินร้ายอมีความเสียใจเวลามันวิบัติพัดภากไปมีความดีใจเวลามันจเจริญรุ่รงเรืองขึ้น กระดับประดาตกแต่งสวยงามขึ้นมาแล้วก็ยินดีปิติมันหลงอ่ะนั่นแหละเมื่อภาวนาเห็นไตรลักษณะญาณอิ่เจ็มแจ้งขึ้นในใจแล้วมันก็คลายความยินดียินร้ายคลายความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าขันท่าธาตุสีอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยของงาม อะไรแบบนี้นะมันก็คลายออกไปเรื่อยๆมันก็ไม่หลงแล้วแบบนี้นะอืมจิตตรงนี้แหละไม่หลงแบบนี้มันก็รู้เห็นอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าให้ภาวนานี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนผู้เห็นทุกเห็นภัยในวตาสงสารอันนี้ แต่ตนเองยังละไม่ได้ถึงเห็นทุกข์เห็นภัยล้วก็ยังละไม่ได้เพราะไม่ได้อบรมจิตนี้ให้ส ง, งบไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาไม่มีก็สอนจิตไม่ได้เมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญามาสอนจิตนี่เสมอไปจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปรุงก็วางลงได้ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันประมาทในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามันเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงๆนะที่แสดงมาในวันนี้นะแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนดูชีวิตความเป็นมาในเบื้องหลังของตน ในเบื้องหลังนั่นนับตั้งแต่ชาติก่อนๆคืนมาคืนหลังคืนหลังไปโน่นอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าพระองค์รู้แจ้งหมดเลยความเป็นมาของสัต์โลกทั้งหลายนะรู้แจ้งว่าบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือจะเที่ยวเกิดทเที่ยวตายในว่าเร้าสองสวัตาสงสารอันนี้นะ ก็เพราะการกระทานี่เนะี่ยเป็นมูลเหตุบุคคลไม่เพียงละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนดีก็ทําชั่วก็ทําปนเปนกันไปจะได้กรรมชั่วมันก็หน่วงเหนียวชีวิตจิตใจอันนี้ไว้ในโลกสงสารอันนี้ให้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่ถ้าได้เกิดมาโลกมนุษย์นี่ยังชั่วหน่อยนะแต่เมื่อไปหลงไหลทําความชั่วเข้าไปแล้ว จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรื่อยไปหาไม่ได้มันก็หมุนไปเป็นสัตว์ตะลกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เจริญชานบ้างหมู่นี้นะมันเป็นได้นะบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วนั่นแหละให้เบื่อให้หนายตอความหลงความไม่รู้นี่ถ้าไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่เพียนละนะความหลงความไม่รู้ต่างหมู่เนี้ย เมื่อตนไม่รู้แล้วก็ปล่อยให้ตนไม่รู้อยู่ยนั้นแหละเรื่อยไปอ่ะเพราะไม่เห็นโทษแห่งความหลงความไม่รู้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยไอ้ผู้ใดสนใจในการฟังสนใจในการปฏิบัติฝึกตนน่ะแสดงว่าผู้นั้นเห็นโทษแห่งความไม่รู้อความหลงต่างๆหมู่นี้นะเห็นโทษแล้วจึง จึงต้องการอยากจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นในใจจึงสนใจในการเรียนการฟังการจดจำเอาวิชาความรู้นั้นๆ้าไปลงมือปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็บรรเทาความหลงหลงได้ก็อย่างที่แสดงมาโดยลำดับนี้นละ มันก็มาหลงธาตุสี่ขันห้านี่นะอยู่เมื่อมันหลงธาตุสี่ขันห้านี่มันก็หลงไปทั่วเลยอนะ่หลงทําบาปทากรรมชั่วใส่ตัวเองไปโดยไม่รู้สึกตัวหมูนี้นะถ้ามันมารู้แจ้งธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะมันก็จะไม่หลงทําชั่วทําบาป เอาจะใช้ขันห้าอันไม่เที่ยงนี่ไปทำบาปกรรมทำไมผู้เสวยผลแห่งบาปกรรมคือดวงจิตนิ้ต่างหากนี่มันรู้อย่างนี้นะวันนี้นะมันถึงไม่ทำชั่วคนเรานะถ้าตสี่ขันห้านี่หมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงถูพื้นดินยังเหลือแต่กระดูกเท่านี้นเป็นสักขีพยาน ส่วนดวงกิดสิบานี้เมื่อสะสมบาปกรรมไว้บาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอวัยภุมมทนทุกทรมานอยู่นานแสนนานร่างกายอันนี้มันไม่ได้ไปตกนรกด้วยนาะวาจาก็เหมือนกันคิดดูให้มันเห็นดังนั้นนะจึงไม่ควรใช้กายใช่วาจามีทำชั่วเขาว่า เมื่อทรไว้และจิตเป็นผู้เสวยผลอย่างที่ว่ามานั้นแลวดังนั้นจิตผู้ที่ท่านฉลาดท่านได้ฝึกฝนอบรมตนมาด้วยดีแล้วท่านจึงไม่ได้ใช้กายวาจาไปฆ่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟิ่นเฮโรอินนี่ท่านจึงได้เว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนี้ ถ้าเป็นนักบวกก็เรียกว่าเว้นละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกอตามพุทธบัญญัตินี่นะอย่างนี้แหละชีวิตความเป็นมาขอให้พากันเข้าใจเบื้องต้นแห่งชีวิตแท้ๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่ได้ทรงพยากรไว้เลยว่าจิตนี้มันตั้งต้นมาแต่เมื่อไหร่ มันเกิดขึ้นแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์ไว้เลยเพราะองค์มาทรงแสดงว่าจิตใจดวงนี้ที่มันเล่ร่อนอยู่ในวต า, าสงสารนี่หนีจากสงสารนี่ไปไม่พ้นก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้นี่พระองค์มากำหนดรู้เอาตรงนี้จิตนี่ไม่รู้มันจึงได ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทําชั่วบ้างตายแล้วก็ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างหมุนเวียน <c oughs> เปลี่ย <c oughs> นแปลงกันไปในวตาสงสารอยู่อย่างนี้ <c oughs> เมื่ออวิชชาี่ดับแล้วความวิชาคือความรู้จริงเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงไป กิเลสบาปธรรมอื่นก็หมดไปตามกันเลยโออพลกระตัดตรู้สัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันทั้งอกตั้งใจพิจารณาตามคำสอนที่นำมาแสดงให้ฟังนี้แล้วพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมา ขอยุดติลงเพียงเท่านี้